ชัดขึ้นซึ่งตอนนี้เราเอากำแพงมาขวางเราว่าทำลายกำแพงนี่นะเดินเข้าเฝ้าท่านแล้วเราจะได้จะได้สารณะตอนนี้สารณะของเราบางวันดูดีหน่อยบางวันก็เศร้าหมองบางวันขาดเกลี้ยงเลยเนี่นะเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราจะเอากำมาถาของท่านมาเดินมันมเดินไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เข้าเฝ้าท่าน ใจเรามันยังไม่ศรัทธาท่านจริงๆด้วยเข้าใจยช่ไหมว่าอะไรเป็นเหตุทำให้เราไม่เข้าใจว่าทําสัตทินรียเราเป็นแค่ระดับปกติวิริยินรีของเราก็ปกติสติินรียก็สติก็ปกติสมาธิก็ปกติปัญญาก็ระดับปกติถ้าศรัทธาเป็นระดับภาวนาวิริยะสติสมาธิปัญญาระดับภาวนาเมื่อไหร่มันเข้าถึงความเจริญเมื่อไหร่นี่ย เกิดขึ้นโดยชนิดที่ว่าเหมือนว่าวมันติดลมบนแล้วมันตื่นเต้นมันปีติมันปลาโมดได้ยินพระธรรมคําสอนของพระเจ้าในะจิตใจตั้งมั่นไม่มีส่งจิตไปอื่นเลยอันนั้นะวันนั้นแสดงมาชัดแล้วถ้าทําได้อย่างนั้นนะแล้วก็ประกอบความรู้สึกอย่างนั้นให้มากตั้งมั่นให้เยอะถ้ายังไม่ได้ก็ฝึกฟังพระธรรมฝึกไป หรืองั้นก็ฝึกดูฝึกตรึกให้ควรไ ม, มีตั้งหลายวิธีเนี่ยฟังหรือ ม, มาสาธยายเลยที่บอกยกน้องไปขยายใช่ไหมเอาคำสอนสาธยายปับป๊บๆๆเลยเหตุปัเจโยรมะนาปัเจโยอดีปฏติปัเจยเนอมที่บูชาพระเจ้าให้เห็นคุณของท่านจริงๆนะถ้าเราจะสนทนาใส่ใจประทานใช่ไหม หรจะใส่ใจวิกาเยกายานุปัสสิมรารติอาตาปีสัมปชา้านสติมาวิญญ า, าโรคีอวิญญาโดมนาสังก็ไล่สาธยายไปถ้าภาษาบาลีเข้าใจก็บาลีภาษาไทยเข้าใจก็เข้าใจนะตรึกก็ได้พิจารณาวิจัยก็ได้เอากรรมาฐานที่เราเข้าใจเอาไปวิจัยไปไขขวนก็ได้ข่อย่างมันเป็นเงืนน่นี้ถ้ายังไม่นั่นก็เพิ่มศรัทธาฟังพุทธคุณเยอะ ฟางกั น, น้อมเอา้ายังคิดไม่เป็นเห็นไหมตรึกระลึกดูพระพุทธรูปบ้างไปไหว้พระเจดีย์บ้างสวดมนต์อยู่คนเดียวบ้างโอ้โหเนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่อยุธยาอยู่ใกล้ๆนี่เองใช่ไหมพระเจดีย์ก็มีเป็นนั่งบูชาสงบสงบเวละอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นเมืองเจดพระบรมธาตุพุทธเจ้าก็มาทับอยู่ ทำไมเราละเลยท่านเนี่ยจําได้ไหมภาษาริบุตรพูดไว้ว่าไงที่ว่าจะตามภาษาริบุตรเนี่ยภาษาลิบุตรของท่านทั้งหลายอย่าละเลยพระเจ้าการละเลยพระเจ้าไม่เป็นการดีเลยท่านเตือนอะไรรู้ไหมในสังสารวัตรที่ผ่านมาที่ท่านประชุมอริยสัจลงในกระแสขันไม่ได้เพราะโทษที่ท่านทั้งหลายเนี่ยละเลยพระบรมศาสดาตอนนี้ท่านกันยังมาละเลยท่านยังมาประมาทอีกเนี่ย ฉะนั้นการละเลยพระบรมศาสดาไม่เป็นการดีเดี๋ยวพระศาสดาก็จะหายแวบไปจากใจเราแล้วถ้าจุดตีจิตเราเกิดเมื่อไรหรือเกิดสมองฟอมเมื่อไรเราจะคิดถึงคุณพระเจ้าไม่ได้นะฉะนั้นไปนตั้งมั่นทีเยอะๆทำสัตทินซีให้แข็งแรงเนี่ยนะถ้าอย่างเงี้ยต่อไปเนี้ยปริมาณของความเข้าใจอยู่ตรงตัวศรัทธา ถ้าศรัทธาไม่แข็งแรงในคุณของพระเจ้านี่นะการศึกษาคําสอนพระเจ้านี่ยากใจมันต้านามาเนี่แต่ก่อนนี่ทําไมเราเรียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะมาก็หาสาเหตุมาตั้งนานแล้วที่ไหนได้ศรัทธาอ่อนเพราะศรัทธาเป็นตัวนํากุศลธรรมทั้งหลายใช่ไหมเพราะศรัทธาโลดแล่นเบีดเสียดแล้วศรัทธาจะนําำปริยาสติสมาธิและปัญญานี่เป็นอย่างนี้งั้นที่ผ่านมาเนี่ยศรัทธินี้ไม่แข็งแรง จริงไหมโยมบางคนร่าจริงไหมนะถ้าสัตถ์ถ้าสมัยก่อนถ้าศรัทธาเราแข็งแรงมันไปได้ไกลกว่านี้เยอะแล้วถ้าคนศรัทธาเนี่ยเอางี้เราดูกําลังของตัณหากําลังของตัณหาในอดีต ท, ที่เราเราเรารักที่เราจะทําอะไรอ่ะรักจะเรียนรักที่จะทํางานรักที่จะไปเที่ยวรักที่จะไปคุยกับคนนั่นคนเนี้ยลองดูกําลังของตัณหาแรงไหมนั่นแหละ ศรัทธามันจะเป็นไปแบบนั้นนะแต่มันจะน้อม้าหาคุณทำไมยัยเป็นตระหนันนะเป็นไปแบบสัต์ทิงสีนะถ้าลักษณะอย่างเนี้ยมันเป็นเวทนาที่เกิดร่วมกับสมอนัสเหล่าเนี้ยเป็นไปกับคําสอนก็เจ้าเนะี่ยเวทนาเหล่านี้เป็นเวทนาคนสเข้าใจใช่ไหมทีนี้เราก็จะได้เห็นวโอ้จริงๆแล้วเนี่ยให้สังเกตว่าเราฟังข้อมูลแบบเสร็จตอนเนี้ยมันมีนะมันเริ่มมีเหมือนกันนะเข้าแล้วก็ไปดับเทียมนี้ ที่ไฟไในใจก็ดับอีกใช่ไหมทําไมไม่จุดต่อเลยยมเป็จุดต่อไปมาอีกทีให้มันโหดูมันตื่นเต้นมากกว่านี้ยนะอันนี้ดมหงอยเลยยุ่งเลยเข้าใจยั ง, งแต่เนี้ยเออแปลกเลยใช่ไหมถึงบอกตรงนี้เป็นเหตุทำให้ไม่ค่อยเข้าใจครับท่านเพราะยังยอมพูดพบเนี่ยมาก็ใจตั้งกลางไปมวัวกังวลเรื่องอื่นเยอะ ไอ้ตัวศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ตกเลยแต่คำว่าตกในที่นี้ไม่ใช่เราจะไม่ศรัทธานะแต่มันกลายเป็นศรัทธาธรรมดาศรัทธาแบบนี้ไม่เกืก้อกูลต่อภาวนาขุสมไม่เกื้อกูลเลยเจริญภาวนาไม่ได้ชัดเลยนะถ้าระดับจะเจริญภาวนาเนี่ยตองคืออะไรคืออาหารของศรัทธาการฟังคำสอน การไถ่ควรคําสอนการสาธยายคําสอนหรือการเสดบุคคลเราเรารู้ว่าใครมีศรัทธานในพระเจ้ามากๆเซวนาคนนะั้นไม่มีกันนั่นแหละเข้าเฝ้องพระเจ้าไปน็นคนเล่นเองนะ่ะใช่ไหมไม่มีกัลยาณมิตรตอนนี้ก็เอากัลยาณมิตรภายในนี่แหละอาศัยพระเจ้าเป็นกัลยาณมิตรภายนอกมีพระรูปของพระเจ้าเป็นต้นเมตตาอจะมาอยู่ในห้องนี้จนะอยู่ในห้องนะ ยถ้ารู้ว่าที่ศรัทธาจะตกแล้วมาหยิบบางที่ก็นั่งตึกใครคนเลยบางทีก็ฟังเลยเมื่อคืนนี่ยนะพอประมาณตั้งตีสามเนี่ยตีสามก็เราจะเปิดจะตรึกอะไรไม่ค่อยถนาดทุกสิ่วันนั้นอารมุขึ้นมานั่งนั่งไปใส่ก็เปิดแล้วฟังน้อชั่วโมงอถึงตีสี่ก็ฝึกอ๋อเนี่ยเริ่มเริ่มเข้าใจทําไมต้องทําไมต้องฟัง อะทำไมต้องฟังพระทําอันมาเอาทุกรูปแบบที่มันจะเกื้อกูลต่อการเจริญมุสออ่านตรกสาายายฟังเอากรรมาฐานมาเดินทํามดเลยขนาดอาศัยเหตุปัจจัยรอบด้านขนาดนี้บางทียังตกเลยอ่ะขยายยังอันนี้เราโยมทอยังไงจมาป่าสมมตินี้นะทําแบบนี้บ้างไหม มันก็จะต้องเดินให้มันได้ใช่ไหมว่าเพราะเพราะเราต้องมั่นใจในสาระนะตร ง, ตรงที่พึ่งยินไม่ ย, ยมอมกางคนนั่นตรงนี้ก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องไปทาให้ชัดตรงนั้นทีนี้ถ้าถามว่าขนาดพยายามเพียายามตั้งใจงนี่หลุดบ่อยไหมบ่อยแล้วถ้าหากว่าไม่ไม่วางแผนเนี่ยยอมเป็นคนวางแผนไหมว่าหยุดฟังทำเบสเสร็จแล้วเนี่ย ออกจากฟังธรรมนี้จะมาหน้าสิการยังไงวางแผนขนาดนี้มั้ยนั่งรถกลับไปนี่จะถือกรรมาฐานอะไรกลับเคยวางแผนรุ่นลงน้าไห ม, มเคยคิดไห ม, ม, หอไมโอ้ยถ้าคนที่เขาไม่ประมาทเขาจะเนี่ยเขาจะต้องคิดเลยใช่ไหมเหมือนยมคิดว่าเดี๋ยวถึงเวลากลับเบสเสร็จจะต้องขับรถกลับใช่ไหมนั่นคือวางแผน แต่ถ้าหากว่าคนที่เข้ามาประมาทนอกจากขับรวดกับเขาไม่ได้วางแผนแ่นั้นนะเอ๊เาจะต่อจากตอนนี้เราฟังเรื่องเวทนาฟังเรื่องสติปัฏฐานเบเสร็จเนี่ยออกจากตรงนี้แล้วเขาจะเดินอะไรถ้าไปสองคนเบเสร็จเขาจะสนทนาพระธรรมอะไรถ้าเขาไม่สนทนาคำสอนเนี่ยเขาจะไม่คุยเรื่องอื่นนะเขาจะนิ่งนิ่งแต่ใจก็จะเป็นไปกับพระธรรมเอาสิคือเขาจะจิตของเขาหลุดจาก คำสอนตรงนี้เขาก็จะไปอยู่กับคำสอนตรงนั้นแม้แต่สนนานาเขาจะเจริญเมตตาได้เขาก็เดินเมตตาไควยะจีกรรมให้เมตตาวยจีกรรมเป็นไปกับการพูดเอาสิเอาถ้าทําก็ให้เมตตาเป็นไปกับการทําเมตตากวยะกรรมถ้าคิดก็ให้เป็นเมตตามนโนกรรมเขาก็เดินถ้าออกจากเมตตาไปเสร็จเอาไปพิจารณาเห็นเหตุการณ์อะต่างอมรณสติก็ตามมาอมรณสติเขาเดินได้ระยะหนึ่ง ไปเจอเห็นบางอย่าง อ, าอาสุภะภาวนามามาเขาจะยังเส็จอัน้อมผ่านเจดีพุทธคุณเข้าใจแล้วเห็นไหมเขามีหลักใจเขาอย่างนี้อยู่อ่ะออกจากตรงนี้กระโดดเข้าคําสอนตรงนี้ออกเข้าใจาตรงนี้กระโดดเข้าคําสอนตรงนี้ถ้าเขาคิดว่าจิตเขาตกเข้าไปในกรรมวัตถุกรรมเสร็จเสร็จอันนี้เขาประมาทแล้วใช่ไหมก็รีบออกจากตรงนั้นแล้วก็พิจารณาวัตถุกรรมนั้นโดยความเป็น จริงของสิ่งนั้นอย่างไรไม่ติดสิ่งนั้นไม่สําคัญผิดในสิ่งนั้นไม่เห็นผิดในสิ่งนั้นอย่างเั้เขาก็เริ่มวิจัยเป็นอย่างนี้อาชีวิตได้ได้วิจัยถึงขนาดนี้ไหมแบบนี้ไหม ย, ยากไหมทีนี้ทางโลกเราทำไมง่ายเหลือเกินนะเอาเดินเดินออกไปอย่างนี้พุ๊บใช่ไหมเหมือนแบบอย่างเรามาเปรคเสร็จก็มานั่งเก้าอี้จากการนั่งเขาอีเบรเสร็จเราลุกไปเราลุกเลยนะเราจะเดินไปทําอะไรไม่ทำไมเตรียมพร้อไมไปหมดได้ ด้านร่างกายเราทําให้พร้อมแล้วทางโลกเนะี่ยคิดกันจนชํานาญหมดแล้วเหลือแต่ว่าเราจะเดินใจของเราเนี่ยออกจากคําสอนตรงนี้ปุ๊บถ้าใจออกจากคําสอนนี้ปุ๊บเราโดดตรงนี้จะมีอะไรรองรับใจเราบ้างคิดแบบนี้ไวไหมถ้าคิดแบบนี้ไว้ก็เรียกว่าคนนั้นไม่ไม่เผ้อเลยไม่เผ้อเลยสมมติว่านั่งนั่งบางทราม ถ้าเกิดทีนม้มิทะมันเฟื่เข้ามาในใจเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดอยู่อย่างนั้นะเลยเคยเลยเป็นคนเนะ่ยไปนั่งที่ไหนเคยสังเกตุไหมบางคนไปนั่งที่ไหนก็หลับงนั้นน่ะนั่งก็หลับคนใช่ไหมมันก็เคยอยู่อั่างไรแต่เนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ระวังไม่สังเกต เอามาก็ไปนั่งสวดมนต์กันนั่นนั่งสวดมนต์พอสะพากเนึนเอมาก็ลองพาพระเนียนนั่งก็มาถานให้สงบเขาไม่นั่งก็ไมถ่ถานคือฝึกหาจิตอามาก็พูดไปให้คนตื่นพุทธคุณพูดพู ด, พ, ด, พ, ดพูดไปพดเพราเลี้ยวมาข้างหลัง <laughs> เฮ้ยจะจะนียนจะเนียนน้อยลงเดีนเล็กขึ้นะล้วนั่งทีแรกเขาก็โยกไปข้างหน้าอ จะพักหนึ่งหงายท้องเรียบร้อยเลยผเอ้าปล่อยเขาไปอันนี้เกินก็อเหตุอันนี้สรุปแล้วคือใจเขาไม่เคยฟังเลยอ่ะเขาคิดว่ามึงพูดอะไรก็ไม่รู้เขาเาไม่สนใจเดียก็ไม่สนใจนะเนนะมาเลยใช้สับยืมสับของพระเทรานมาพูด เราทุกวันเนี่ยควบคุมจิตบ้าไม่ได้ควบคุมจิตบ้าไม่ได้ ค, ค, ไไดคำว่าจิตบ้าเนี่ยเราเคยเห็นคนบ้าเพือมาไปดูคนบ้าก็าไปดูอ๋อคนบ้าเป็นอย่างนี้เองเหมือนเด็กเลยเวลาเด็กเนี่ยกินอาหารได้คำสองคําบเสร็จเขาลืมแล้วก็วิ่งไปเล่นไอ้ยังไม่ทันอิ่มเลยนะไอ้คนบ้าเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าจะกินอยู่ยังไง เขาทำท่ากินได้คำสองารก็ทิ้งเข้าไปแล้วอื่นเราเหมือนกันเพราะจะเอาใจมาผูกไว้กับคำสอนนิดเดียวไปแล้วอื่นพจิตมันบ้าเราคุมจิตบ้าไม่ได้ยังเข้าใจยังไม่เราคุมจิตบ้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่แข็งแรงคนที่มีศรัทธาระดับที่เป็นภาวนาเนี่ยจะคุมจิตบ้าได้ เราท่านทั้งหลายเราสังเกต ด, ดูเถอะสังเกตคนอื่นก่อนแล้วก็หันมาดูตัว เ, เองเห็นคนอื่นเราจะรู้ว่าเดี๋ยวเขพูดเรื่องนี้ปับป๊บปับ๊๊ <_ p up> เดี๋ยวเรไปเรื่องอื่น <_ p up> ปับ๊บปั๊บเดี๋ยวไปเรื่องอื่นวันวันึันมีหยิบเรื่องนั้นคุยเรื่องนั้นสารพัดไปหมดเลยเราจะเห็นว่าจิตข้างในเขามันซ้ำไปหมดแล้วจิตบ้ายโยจิตบ้า <_ p up> อันนี้ไม่ได้ไปว่ากันนะ <_ p up> มันเป็นอย่างจริงจริงเราท่านทั้งหลายควบคุมจิตบ้าไม่ได้เพราะระดับศรัทธาเราอ่อน วิริยะสติสมาธิก็อ่อนปัญญาไม่ต้องพูดถึงอาจารย์น่ะเด็กเด็กอาจารย์น่ะยังเด็กเด็กที่มาเรียนเนี่ยเราสังเกตุเมาก่อนที่มีรับเด็กเข้าใครเยอะเวลาอาจารย์สอนเรื่องสวดมนต์อะไรเนี่ยเหมือนเนี่ยเขาก็เขาก็สวดพักพูดธรรมะไปสักประเดี๋ยวข้างหลังก็หลับตึงไปหมดแล้วทีนี้จะว่าแต่เด็กนะผู้ใหญ่ก็เป็นทีนี้อยากทราบว่า ไม่เคยใจตรงนั้นใช่ไหมเวลาร้องเพลงแนละ้วทำไมมันไม่ง่วง่ะคือคอย่างนี้นะจำเลื้ยเพลงได้หมดรักความหม่คอคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาจากกรามมาคุณมาจากมาจากโรพะมาจากโทสะมาจากโมหะฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเรื่องวัตถุกรรมมันเป็นความคุ้นเคยมาอย่างยาวนาน ก็เหมือที่ใช้คําว่าขีดมึงบ้างแคนั้นมันมันเข้ากรณีที่ว่ามันสร้างไปหารูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างแค่นั้นถ้าเขาได้อารมณ์เบดเสร็จนี้เขาจะตั้งมั่นในอารมณ์นั้นแก่กับภักหนึ่งก็ย้ายอารมณ์นั้นภาคหนึ่งเขาจะย้ายเขาจะหาความสุขจากการเสร็จวัตถุกรรมเนี่ยจากกิ เ, กเลสกรรมอลไรเนี้ยมันไปอย่างนี้มันคุ้นเคยเขามาอย่างยาวไกลแล้ว ทีนี้ถ้าเราจะพาดจิตของเขาที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยติดนั่นกับไอ้วัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยให้ออกมาสู่ในร่องในร อ, อยคําสอนเนี่ยมันไม่มาในชั้นพ้าอกสารอาจารย์ท่าเนเลยอุปมาเหมือนเนื้อลูกวัวมันดือ้อลูกวัวมันดือ้อถ้าในลูกโคดือ้อแม่โคดือ้อคลอดลูกออกมาก็ได้ลูกดือ้อตามสายพันไอแม่โคขี้โกงแล้วมันดื้อเนี่ย มันจะมีคือความเข้าใจในการซ่อนเต้านม <c oughs> เขาเห็นมันซ่อนไหยเขาเห็นมันซ่อนไหมเวลา <c oughs> เวลาลูกมันกินนมเนี่ยมันจะมันจะหด <c oughs> หัวนมเขาไว้และซ่อนหนีบเขาไว้นั่นแหละก็เรืแม่โคขี้โกงไอ้ลูกโคขี้โคกงมันก็รู้มันก็ใช้หัวกระทุง กินแล้วก็กระทุงกระทุงจมนมหลุดออกมาหลุดมาก็กินได้ต่อเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นกรณีนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะเอาลูกโค น, นั้ น, เ, นเอามาฝึกเนี่ยโอ้โหให้มันภาคจากนมเนี่ยยากไหมยยากอันนี้เหมือนกันจะดึงจิตให้ภาคออกจากรูปเสียงจิตรดจากเสียงเพลงจากเสียงเต้นลำลาวงหรือการเที่ยวเตฮะ เราจะดึงจิตบ้าของเขาอ่ะมันู่นคโคเี่ยมันดื้องั้นเน่ยเอามาอยู่เนี่ยยากท่านทึงต้องใช้เชือกมัดคอเปนมาแล้วก็ผูกไว้กับหลักเนี่ยเข้าใจยางแต่เนี้ยนั่นแหละเป็นอย่างงั้นแหละ เ, ลลเยยทุกวันทุกวันขยายเด็กหนกาจะเข้าใจและสนุกสนานในการปฏิบัติเด็กมันตะเเบอมันนั่งมันนั่งมันนั่งปฏิบัติมันนั่งหลัหมดเลยกับการหลังเราเอาพิจารณาดู ตแต่ถ้าหากว่ า, เ, า, า, าเห็นไหมว่าเหมือนยังไงจ น, นเขาตื่นได้เหมือนอันที่อาจารยไปดูดูพระลังกาเขาสอนเด็กมาว่าอี้เขาสอนอยังไงสอนเด็กนิ่งได้โอ้เขาสวดมนเขาไม่ให้นั่งกรรมฐานหรอกเขาสอนการสาธยายเลยเอาข้อสาทยทะยัยอะ แล้วเวลาสาทะยายเนี่ย ก, ก็จะสาธยายเป็นทํานองเพาะด้วยเนี่ยนะในบ้านเราก็มีทํานองสารพัญญา่าใช่ไหมนั่นแหละเขาก็ทำการให้เด็กสวดหรือผู้ใหญ่นั่นแหละสวดใจก็จะได้น้อมไปในคําสอนแต่นี่สวดแล้วอัตถะต้องชัดนเพราะสวดไปนั่นแหละก็แปลว่าให้จิตนั้นน้อมเห็นคุณของพระรา้าเริ่มเขาใช้พทระราชา ต, ตัวเป็นองค์เป็นองค์ดึงเป็ น, เ ป, นเป็นสัญลักษณ์ในการดึง ให้รู้ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสําคัญอย่างไรเห็นไหมแล้วก็เห็น้อมในการสาธยายก็ทำสาธยายก็คือทรงจําทรงจําแล้วก็จะได้ตรึกในคําสอนตรึกก็จะได้เข้าใจอัดและวพยัญชนะของคําสอนนะั้นอัดถาปรากรทำมาปรากฏปลาโมดปีติถึงจะเกิดเมื่อสมาธิตั้งมัน่นแล้วก็เริ่มไข้ควรแล้วก็เริ่มเห็นโทษของกิเลสตัณหาคือปัญหาเนี่ยบางทีเราจะไปเจริญวิปัสสนาในขณะที่เรายังสงบดังหักกิเลสม่ยัไม่ได้เนี่ยยุ่ง มันอื่นเยอะเจริญวิปปณาไปได้ไม่ได้ไกลหรอกไปได้นิดหน่อยก็หลุดไปได้นิดหน่อยก็หลุดเพราะใจไม่พลาดออกมาเยอะเยอมจะต้องตรึกในคุณของพระเจ้าจนสามารถภาวนาไอศรัทธาเป็นภาวนาจนสมาธิได้มั่นคงแนละ้วกิเลสเริ่มสงบเบาใช่ไหมใจถึงจะคล่องตอนเนี้ทั้งอิก a r m a ฉันทะทั้งพยาบาททั้งถีนมิทะทั้งอุทจากคุกุจจาทั้งวิจิกิจฉากุ้มลุมใจแล้วตายเลย ไมไปคิดไม ป, ปรัชนาออกไหมจิตก็อืด yeah. แย่คิดเงี้ยใช่ไหมซึมเสื่อมด้วยใช่ไหมบางคนใช้หนักขนาดนั้นไม่ใช่ซึมเสื่อมเนี่ยเพี้ยนซาดเลยนะหนักไปใหญ่เลยเนดะี๋ยวนี้เพี้ยนไปมันไปใหญ่เลยเนดะี๋ยวนี้ยใจมันไปหมดแล้วถึงบอกว่าถึงบอกว่าให้ให้สเก็ตจึงนะถึงบอกให้ให้โยมนอกไป สาธยายสาธยายดังๆสาธยายไปเลยเมื่อตรึกคําสอนเพราะนั้นใจไม่ไม่ไปกับคําสอนใช่ไหมดึงยากจะตายใจถ้าไม่ไม่ดักไม่ฝึกสวดสาธยายไหมขนาดสวดได้แล้วนี่นะไม่ยอมคิดไอ้เนี่ยพวกเนี้ยเข้าใจยากบางคนนี่สวดได้แต่ไม่เคยอัดถามไม่เคยปรากฏในใจหรอกเคยเป็นไหมสวดนะ อิติปิโสพระวาแม่พออิเอ็ดอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจา้านี่ชวดเชิดกันสวดทีเข้าใจยังใจมันไม่เห็นไม่เข้าถึงอัธถล์เหมือนเอาที่ล่องโยโสพระกวาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์กายจากรีเลยตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมได้วิชาและเจริญ น, นะเชิดไปก็เฉย เราเคยคิดไหมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดอ๋อพุทโธโลเกอุปันโนพระผู้ภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมพระธรรมของพระองค์ก็ปลิ่งออกจากพระโอษฐ์ออกจากหัตถ ay ของพระเจ้ากว่าที่พระธรรมจะออกมาได้เสียสงฆายยี่สิบประสงคังที่เงินแสนมหากรรยากนักหนาเป็นบุญของเราท่านทั้งหลายแล้วมันใจมน้อมไปจริงจริงอ่ะเป็นพระอรหันต์โอ้เป็นผู้ไกลจากขีด ราคะชิวกิเลสโทสะชิวกิเลสโมหะชิวกิเลสพุทธเจ้าไกลแสนไกลใจกิเลสเหล่านี้เราเป็นผู้ใกลยังไงนะใจมันน้อมอย่างนี้โยมแล้วเป็นเหล่านี้ไหมเวลาตื่นเพื่อนคุณเนะี่ยถึงบอกว่าเชื่อไหมเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาไปสาส่วนมนต์ธรรมะเรามาต้องบอกใหม่มเลยอา้าคิดยังไงเอา้าคิดยังไงเอ้าคิดยังไงอย่างนี้เลยนะเป็นนั่งเหมือนจับมือเขียนกันนะเขาบอกโอไม่เคยคิดเลยเว่าเป็นนี้จริงจริงๆเนาะ ต้องไปนั่งคิดกันใหม่หมดเลยลองเอาหนังสือสวนบนมานั่งกลางนี่นะถามต่อกันไม่ได้เป็นแถวหมดที่นั่งเนี้เนี่ยเอาระดับมหาเอกนี้ต่อแม่เราไม่ใช่ไปแกล้งดูถูกนะเป็นแง่ น, นิงๆมันประหลาดเลยไ่นั่งสวดๆกันเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็มีพระกันนำคณะมาเยอะสวดตายไปหลายชุดแล้วยอมที่ไม่เข้าใจฮะไ ม, ไม่เข้าใจอถาถรรพอาจารย์ละสวดตายไปหลายชุดแล้ ว, แ ล, วแล้วเชื่อไหมว่มาเอางี้พระบางองค์เนี่ยบวชเข้ามาเนี่ย เอาพ้าเลยนะไม่ได้เบีบ้อใครนี่ไม่ไม่กระทบกันต้องการให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจบบรรัณฑิตเลยนะพิทักษ์บัณฑิตเลยนะจบปทศก้วตอนนี้เมาแอนศึกไป ม, มีแม่ขงเสียบกระเป๋าหลังเดินแอนอยู่ท่ารถก็่รูว่าไงนี่เข้าใจยังเนี่ยนี่ถือว่าสูงสุดแล้วใช่ไหมเนี่ย เ, เอาเอาเอาพิทักษ์บัณฑิตเลยนะปทศก้าเลยนะจะเมาอันนี้เป็นเป็นที่อาจจะมากเกี่ยวข้องเลยนะ อย่าไปเอ่ยชื่อคือคือต้องการไม่ได้เป็นนั่นกันพูดพูดออกมาก็ต้องระวังใจนะว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ยกตนข่มท่านแล้วก็พยายามยกให้เห็นโทษของการเรียนไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นดิดเลยนะอามตะซ้อนส อ, อนมานี่ยพอออกไปอะไรเดี๋ยวนี้เลติมีมีอาชีพตีไก่นี่ยพี่ทำเบัณฑิตตีไก่ก็ใจอย่างเดนเนี้ย มีอะไรแน่มีอะไรตอนนีุ้กย่ยมอยู่ที่ไหน่อะ น, นเรียนยจมมับมต้องนีๆๆมม้นี่คือ ม, ม, มีอะไรแล้วผมไม่มีอะไรแล้วอันนี้มมนี่<ห>นนพูดให้ฟังว่ า, วาเราจะได้รู้ว่ า, วาอย่าไปเรียนแบบนกแก้วนกคุณทองเลิกกันทด้ <ๆ S 1> ทีเหอะการการศึกษาคำสอนอย่างนั้นเน<ม>ี่ยมันเป็นโทษด้วยใช่ไหม มันเสียเสียดายเรียนเข้าใจแต่เข้าไม่เข้าถึงเข้าใจแต่ม่เข้าถึไม่ใช่คือเข้าง่ายจําได้การการเรียนเนี่ยมันตั้งจิตผิดมาหมดเลยการเรียนเนี่ยมีอีกรูปนึ่งนะข้อพายที่บอกว่าเขาเรียนเรียนแล้วฟังนึงเข้าปฏิบัติอยู่แน่เลยปฏิบัติอยู่แน่เลยมาก็เห็นหายไปนานพรติดเหล้าอาจารย์เขาตัวเขาเองติดเหล้าเอาทําไมไปติดเหล้าเมียทิ้งเครียด ตดเป็นนับปฏิบัติแล้วก็ยังไม่หายเป็นจะเป็นสิบสิบปีใช่ไแล้วนี้ก็ไว้ปฏิบัติหายเข้าป่าก็ดงไว้ไมาที่ไหนได้เพรออกมาแต่จะดูสภาพเนี่ทําไมปไปสืบไม่ได้กไม่รู้อะไรกลรมอะไรเขาก็ไม่รู้เพราะว่านี่เขายังเลิกเล่าไม่ได้แล้วนี่ไงทั้งปริยตัตและปฏิบัติเราจะได้เห็นไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดําริผิดหรือคิดผิดไปเสร็จถ้าเดินไปผิดแล้วเน่ะเขามันจะมีจุดหมายปลายทางอะไรอันนี้เป็นข้อคิดว่า เราพ้นยังเราพ้นหรือยั ง, อยงแบบนี้เรายัางไม่พ้นเรามีโอกาสจะไปเป็นไหมเนี่ยเราเคยเป็นนี่ยังแค่นี้เราก็จะได้สังวรระวังไว้เนี่ยที่ดูทําท่าดีๆมามค่อยๆไว้ใจเราบุรุษชนเนี่ยวันนี้ดูมาฟังมาทำแกันเนี่ยอีกความหนึ่งก็ไม่รู้จะเป็นกันยังไงเนี่ยนะเพะฉะนั้นอย่าหวังอะไรกับบุรุษชนให้มากแต่ให้คิดถึงพระเจ้าพระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้านั้นมีแต่ว่าจะการเข้าถึงคําสอนพระพุทธเจ้า น, นั้นต้องมาด้วยศรัทธาที่ถูกต้องมาด้วยความเพียรแล้วก็สติสมาธิปัญญาที่ถูกต้องเข้าใจใช่ไหมถ้าอย่างนี้จะได้จะได้ชัดเจนในคําสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ที่เราเล่ามาเนี่ยจริงๆอ่ะอาจจะออกนอกเรื่องแต่มันเป็นหลักที่ทําให้เราได้ได้สังวรระวังได้ว่าทุกวันเป็นอย่างนี้แล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นลักษะถ้า ถ้าศึกษาแล้วเราขัดเกลาตัวเองไม่ได้เราเสียหายแล้วเนาะถามว่ากรณีที่บุญกุศลที่เราได้ประกาศเผยแพร่คําสอนต่างๆนี่ให้ตั้งอัธยาศัยว่าขอให้เป็นไปเพื่อการขัดเกลาเป็นไปเพื่อสมาทิฏฐิที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความบรรลุอย่าให้เป็นไปเพื่อลาภสกสารอย่าให้เป็นไปเพื่อเสียงสรรเสริญเยียญย่ออย่าให้เป็นไปเพื่อให้คนรู้จักเรามันจะผิดแม้มาก็ต้องระวางังโดยเองตลอดมนะใจ ขนาดระวังตัวเองขนาดนี้บางทีมันแวบเกิดเย่างนี้นมาก็ต้องตัดความรู้สึกนั้นได้เราจะไม่ให้ความรู้สึกนั้นมันเข้าสู่กระแสจิต น, นี้นก็ตั้งใจไปอย่างนี้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นจริงๆจะหนีสมมุตินะถ้ามาประกาศคําสอนไปนเสร็จโอ้โหใจมันคิดลามกคิดไม่ดีคิดปรารถนาว่าให้คนรู้จักหรือคนไม่จักไม่มาอยูแล้วเพรา ะ, สะแสดงว่าเรานี่ปฏิบัติผิดต่อพระธรรมของพระเจ้าแล้วเข้าใจไหมมัน เราจะมาทําไมมันคุ้มไหยเนี่ยมานั่งทําบาปโอ้โหใจก็เศร้าหมองเหมือนก็กรณีมาเรียนวัฒนธรรมเนี่ยถ้าจะเราเรียนด้วยตัณหามานะที่ถีก็เรียนไปทําไมใช่ไหมเอออยมานั่งรังกรลังแข็งเรียนไปทําไมเนี่ยเรียนต่อรองทั้งบ้านเลยต่อรองว่าเออให้ให้ให้คนที่บ้านก็เห็นว่าเออเราเป็นคนดีอย่างนี้เป่าใช่ไหมเราเรียนเพื่อการขัดเราใช่ไหมเอาจะถามอย่างพวกเราที่มานั่งมาม า, มาเรียนเรียเนี่ย คิดเพื่อให้ทั้งบ้านก็ยกย่องเขาบอยอมงคลให้แม่บ้านยกย่องเขาบอกเห็นไหมเราเนี่ยอยู่ในแวดวงแวดล้อมของคนที่เขาเห็นไม่เห็นไม่ตรงเยอะอันตรายเยอะเพราะเราเกิดในสมัยที่มันไม่ควรเกิดที่เราจะเกี่ยวข้องกับบุคคลแหล่านี้เราจะเจริญกุศลยังไงถ้าทั้งหลายก็รักษาเนรักษาตัวกันให้ดีใช่ไหมทุกคนเจอในสถานการณ์แบบนี้หมด ทั้งในวัด น, นอกวัดใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราจะเราจะสร้าง ส, สร้างกลุ่มให้มันเป็นกลุ่มที่เจริญกุศลได้ยังไงแล้วจะมุ่ง ม, มั่นยังไงใช่ไหมอย่าหลอกตัวเองอะ่ะอย่าหลอกตัวเองในการที่จะต้องมาเจริญกุศลถ้าอย่างงั้นมันจะมันจะยุ่งเออนี่ยเข้าเนเข้าเนี่ยหนสุจริงๆใช่ไหมการการเดินหรือการเจริญกุศลของเรานี่มันจะผิดรูปผิดร่างไปเลยเนะให้สังเกตด้วยนะว่า คุณธรรมของพริ ษ, ษัทอยู่ข้อหนึ่งให้คําสอนในวิปริตเหมือนตอนเนี้ยสมมติจะให้ให้ามาเนี่ยเอาสื่อให้ามาเครื่องให้นมาแจกงานมาต้องดูเลยเนี่ยถ้าดูว่าเออถ้าไม่ถูกนมาจะไม่แจกหนังสือนั้นเด็กขาดเพราะจะไม่ให้คําสอนที่วิปริตอีกแล้วเพราะตอเอเหตุตรงนี้แน่นอนที่ทําให้ตนเองเนี่ยเจอแต่สิ่งที่มันผิดพลาดมาตลอดนั้นเวลาจะแจกหนังสือแจกอะไรจะต้องเอามาดูก่อน ดูการตรวจสอบตรงพระไตรปิฎกคำพูดธพจน์ไหมอัจฉรกถาดีกาไหมสโตงเบอร์เสดแจกนดีเลยเนี่ยนะถ้าไม่ตรงไปอร์เสก็ขอแก้บางอย่างแล้วแจกแม้แต่ธรรมะเรื่งต่างเหล่า น, นี้นะถ้าพบข้อความตรงไหนที่อาจารย์พูดไปที่ไม่เหมาะไม่ควรนะติงนี้อันนั้นไม่ใช่ของพระเจ้าเนี่ยนอนแต่ฝุดนวันทเกินเลยนะเป็นของตงนเองก็พยายามนะก็ก็หาหากัลยานามิตที่ท่านรู้ จริงๆส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งก็เร่งในการที่จะเข้าใจคําสอนถึงแม้เราไม่กว้างขวางก็เข้า ใ, เขาใจเฉพาะแบบที่เราจะขัดเกลาให้ชัดสมมุติว่าเราจะเจริญเมตตาก็ศึกษาเมีตาให้ชัดจะเจริญกรุณาก็ศึกษากรุณาให้ชัดจะเจริญพุทธคุณอันนี้ก็ง่ายก็ค่อนข้างจะเป็นกรรมฐานที่สะดวกอยู่แล้วพุทธคุณก็ศึกษาพุทธคุณแล้วจะได้เป็นเครื่องในการที่เจะเดินก็สนเข้าใจใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็เราก็จะได้เดินได้สะดวกเป็นมาก เพราะว่าคือคือทุกวันนี้นะทั้งทั้งที่ตนเองเป็นปุโุชนอยู่ก็กล้าบังอาจที่จะยืนไปอยู่แนวหน้าที่จะไปประกาศคําสอนซึ่งมันไม่ใช่กิจผิดแล้วตนเองยังไม่มีศาสนาเลยทั้งเกลียดไหว่าทำไมาอามาเนี่ยงใช้คําว่าในถาหนะอามาเป็นภิกษุยองก็เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่ศึกษาพระธรรมเก็มานั่งสนทนาเห็นัหมอามาจะใช้คานี้ตลอด เพราะไม่อยากอาถารไปยืนอยู่แนวหน้าว่าเราเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นเกจิหรือเป็นผู้นําไม่ใช่ปุถุชนเนี่ยมีปริญัติสองอารักขทูปริญัติและนิสรณนาถาปริญตัติถ้าตัณหามานาทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อไรกล่าวพระธรรมในขณะนั้นเป็นอลรักขทูเสียหายแน่นอนแต่ถ้าหากว่าน้อมเพื่อจะขัดเกลอน้อมเพื่อมักษายายพระธรรมกล่าวพระธรรมเพื่อจะขัดเราแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมในการขัดเราด้วยกัน อันนี้เป็นนิสสระนาถปริยัตเป็นการเรียนปริยัติเป็นการศึกษาปริยัติรืเป็นการถ้าอย่างการกล่าวนี้เป็นภาวนาอุศนะเป็นการปฏิบัตินะการแสดงธรรมอย่างนี้นะอันนี้น้อมไปเพื่อจะแสดงตามอัดตามพยัญชนะตามคําสอนพระพุทธเจ้าอันนี้แปลว่าอะไรอันมามีหน้าที่ในการแสดงธรรมอันมาก็ปฏิบัติไปด้วยเดินเดินศิกขาสามไปด้วยในขณะกล่าวเราก็อยู่ในฐานะธรรมมัสวะนาไมก็คือตรึก ศกษาสามไปด้วยเห็นไหมต่างฝ่ายก็ทําหน้าที่เป็นผู้บังเพื่อทำในการขัดเราด้วยกันแต่ว่าใครจะเข้าใจอัธยาพยัญชนะมากบางครั้งผู้แสดงเข้าใจได้น้อยกว่าผู้ฟังเนี่ยอย่างที่โยมฟังกันอยู่หรือพระนั่งฟังเนี่ยโยมบางท่านนั่งเงียบเขาเข้าใจได้กว้างขวางก็ได้ซึ่งซึ่งเรารู้ได้ยากมากแต่บางท่านก็รู้น้อยเหมือนผู้แสดงบางครั้งก็รู้มากบางครั้งก็รู้น้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสูตรที่นํามาแสดงอาจจะชํานานก็ได้อะไรย่างเงี้ยใช่ไหม แค่นตรงนี้ก็ก็มามาก็ได้ว่าเออเรามาสาธยาแล้วก็พาสาธยาพาเจริญกุศลก็ดีแค่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงประมาณนั้นนะเนี่ยไม่เกินสี่ชั่วโมงประมาณนีน้ก็ถือว่าอาทิตย์นึงน้นนอยเลยท่านไปแต่ก็ถือว่าเออเนี่ยได้มีโอกาสมาเจริญกุศลร่วมกันอาทิตย์ละครั้งแต่ไม่ใช่พวกเราเจริญกันเพียงแค่นี้ถ้าอย่างนั้นไม่พอ จริงๆพวกเราต้องเจริญทุกวันน่ะแต่ถามว่าเราจะรักษาใจของเราได้ยงไงที่เราจะสามารถให้มันต่อเนื่องได้ใช่ไหมถ้าเรารักษาไม่ได้เนี่ยแต่ละคนก็ต้องรับผิดชอบอยดีเราใช่ไหมคติที่จะต้องเดินไปข้างหน้ามันก็ยาวไกลแล้วก็วัดตากันนั้นแต่ก็ยังดีนะที่เรายังไม่มาฝังอัตยาสัยที่เป็นไปในคําสอนนี้นเพราใจเข้าใจใช่ไหมก็เป็นไปแล้วนะย้ำไว้เข้าใจไเข้าใจเนาะอาจารย์นั่นอย่างหนังสือ เราไม่มีความรู้เลยต้องให้ผู้รู้ตรวจให้เรไม่สามารถที่เราจะไปชำระเพราะเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยแลเราก็ไปแจกตอก็ไปทำเป็นคนที่เขา้างสือนั่นผิดเราก็เราไม่รู้และเราปากด้วสร้างเหตุทำให้คนเข้าใจาาผิ ด, เ ร, ผดเราก็จะได้เจอแต่สิ่งผิดๆในสังสารวัตรนันเป็นตรงนี้ทั้งหมดถ้าเป็นระดับเป็นมูนิธินี่นะต้องมีนักวิชาการปยายามูลนิธิตรวจเชื่อตรวจสอบให้ย มีนี่คนเรียนธรรมะ ก, กัเยอะ่เรียกมาเอ้อยยเกิดหน่อยที่เดี๋ยวมูนิิจะแจกในนามมูนิธิเหมือนเนี่ยเทพเนี่ยจะแจกในนามมูนิธินี่ออกไปไมันต้องใช้ได้อบถาแล้วปยาจริญแล้วความหมายใช่ไ ห, ไหถ้ามันไปแจกสิ่งที่มันไม่ถูกขึ้นมาไ่ใช่ต้องมีเสียมูลจำร่าย้<ค>ตัวนี้สำคัญมากถ้ารูปแบบของมูนิธิเนี่ยเผยแพร่การําได้แล้วการัุนี้มาเนี่ยมั่นใจมากเลยว่ายังไงก็จะต้องเป็นสมบัติ เราใช้บุญทีแล้วแล้วก็เราจะต้องขอตัวมัตเตอร์ของพระอาจารย์ไว้เป็นคำต่อๆกันเอาได้เอาไปเผยแพร่ไปแต่เขาห้ามจังเลยเผยแผพ่เพราะเป็นคำสอนรพระเจ้าใช่ไหมก็เผยแปรแต่อนี้ฟังแล้วคุ้นๆอ๋อขยายความพระอัริยะาจารย์ทีนอัจฉริยะาจารย์มีอธิบายพุทธพจน์ ท, ที่มีอัดที่ลึกที่เราไม่เข้าใจให้เข้าใจ แต่เราอ่านเอาากฐารอาจารย์แล้วยังไม่เข้าใจอีกพอดีกาอาจารย์ท่านจะขยายให้กว้างขึง้นอย่างเราท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีข้อมูลต่งตางก็ใส่ผู้ล่วงหลช่วย